ปัดพักชั่วคราวหมายเลขนี้ค้างสถานะกำลังถูกใช้งานอยู่ยังไม่ได้ลงชื่อกับข้องาน